ทีนี้จนกระทั่งว่าจิตแกเข้าถึงสภาวะตั้งแต่โสดาสกีนาคาอนาคาเป็นญาติโยมนะเป็นโยมนะจิตไปถึงอนาคาสามารถรู้ใจตัวเองรู้ใจคนอื่นรู้ใจคนรอบข้างได้ว่าเป็นยังไงแกเก็ไม่บอกใครแกก็ทำไปหน้าทหน้าที่แม่บ้านไปเช้าวันหนึ่งเห็นพระรูปนั้นเอ้วันนั้นไปฟังธรรมด้วยกันพระองค์นีหายไปในทั้งสามปี ตอนเช้าเห็นมาแต่ไกลเดินทางมามุ่งมาที่บ้านนะบินทะบาดเอ๊ะพระองค์นี้สงสัยเที่ยวนี้จะถามท่านว่าท่านปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปถึงไหนโยมก็ตั้งใจจะทดสอบพระพระก็ตั้งใจทดสอบโยมดีนี้นะทั้งคนทั้งตั้งใจทดสอบกันนะ่ะโยมก็ทําท่าทุกครั้งเนี่ยเวลาพระมาะยินหน้าบ้านใสบาตรก็รีบกุลิกูจ่อข้าวมาใสบาตใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่ร อ, อ, อประมาณสักสิบนาทีไม่ยอออกมาจากครัวเลยนะแล้ให้พระองค์นี้รอหน้าบ้าน สักพักพระองค์นี้ก็ลุ่มคิดละทีเนี่ยเอ้ทุกครั้งเนี่ยพอมายืนหน้าบ้านปับน๊บมี่ยโยมจะออกมาใส่บานเลยอันนี้หายไปเลยก็ได้ยินเลยก็พราะท่าเห็นเราอยู่ได้แต่ทํามทำท่าไม่เห็นก็คิดหนักแล้วพระองค์เนี่ยไม่รู้โยมคิดยังไงลุ่มตำหนิโยมโอ้โยมฟังทำแล้วแทนที่จะรู้จักหน้าที่ดูแลพระอย่างนู้นอย่างนี้ก็บ่นไปละใจแกนะสักพักหนึ่งโยมพอรู้ว่าพระองค์นี้คิดอะไรออกมาบ้างก็ดูใจพระออกไป ให้ดูใจเป็นแล้วก็อาคัรเข้าออกมาใส่บาตรพระ อ, อนี้ก็เดินนั่งง่อมเลยนะละนิ่งไม่พูดเลยพอใส่บาตรเสร็จยมก็เลอะริ่มเออปากถามว่าพรกคุณเจ้าหายไปได้มาทั้งสามปีนี่เพิ่งกลับมายมท่านไปอยู่ที่ไหนมาพระ อ, องค์นี้ว่าจะว่ายมพอเจอคำถามแบบนี้ชักงงง อ, อไม่รู้ก็ไไง พูดไม่ออกพราะตัวเองอัดอั้นอยู่ในใจเนาะจะว่าโยมให้เจ็บๆหน่อยจะหารู้ว่าโยมวูนี้ปฏิบัติธรรมไปถึงไหนแล้วโยมก็บอกทันทีเสียดายนะท่านท่านไปได้ข่าวว่าท่านไปอยู่ป่ามาทั้งสามปีเนี่ยแต่ท่านมายืนอยู่ที่นี่สิบนาทีเนี่ยท่านว่าโยมเสเยอะเลยใช่ไหมโยมก็อธิบายเป็นฉากเลยนะเรื่องแรกท่านคิดเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องที่สองท่าคิดเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องที่สาม ปัญญาอาเป็นสาวเราจะห่าตกใจนลยถ้าตกใจอา้าวตื่นตะลีตลาดเอายองรู้ได้ไงเอามาคิดอย่างงั้นจริงจริงเอาทำไมจะรู้ไม่ได้พรุทธเจ้าท่านสอนวันนั้นแล้วเนี่ยท่านเอาไปทําหรือเปล่าโอ้เห็นไหมสันก็ไปทำเหมือนกันฉันไปทำทั้งสามปีแล้วไปทำอย่างไงฉันก็ไปทําอานาปนสติไปเพ่งลมหายใจไปนับลมหายใจไปอดูใจใจนกระทังจิตเป็นสมาธิแล้วก็ สามารถที่จะทำโน่นทํานี้ได้แล้วใจของท่านรู้นั้นรู้นี้แล้วจิตมันหมดกิเลสบ้างไหมใจมันเลิกคิดบ้างไหมยังมีความโลภโกรหลงอยู่ไหมตอบไม่ได้เลยเพราะตัวเองไม่ได้ทําเพื่อให้หมดโลภโกรหลงทําเพื่อให้มริดเดชปฏิหารนั่นนะไปอีกทางหนึ่งเลยนี่ไปลิสีแต่โยไม่ใช่อย่างนั้นโยมเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอามาใช้ตั้งแต่วันฟังมาจนถึงวันนี้เอามาใช้ตลอด จะทำอะไรให้ตั้งใจตั้งใจคือตั้งสมาธิทําอะไรก็ใคร่อยคุนก่อนพิจารณาก่อนก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดแล้วก็ทําไป <c oughs> ทําไปอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วให้กายกับใจเนี่ยไปด้วยกันตลอดอย่าให้มันพัดพลากกันโยมทําอย่างนี้มาตลอดสามปีโยมก็รู้สึกสบายกายสบายใจ ไม่มีความคิดไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความโรกกดหลงเข้ามาวุ่นวายในใจเหมือนเมื่อก่อนใจโยมสบายเพราะคุณเจ้าเป็นอย่างนี้ไหมโอไม่เลยโยมคนละทาง <c oughs> คนละทางทางหนึ่งคือทางฤๅษีทางหนึ่งคือทางอริยะโยมไปเป็นอริยะแต่พระไปฤๅษีจะเอาไงแต่ฟังธรรมอันเดียวกันนี่คือคอเท็จจริงที่ปรากฏในเมืองไทยเมืองลาว บ้านเมืองเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนะพระศึกษาวิชาฤอษีโยมศึกษาวิชาพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้โยมพระเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ที่จะหาพระมาสอนโยมเป็นเรื่องเป็นราวให้เข้าใจเรื่องถึงสภาวธรรมยากพ่อไปคนละทางพราะไปทางวิชาของพูะพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ลาบสกาละแต่ไปทางพระฤษีมันได้ลาบสกาละไงได้ชื่อเสียงได้ขนขึ้นหน้า ถือตาคุณลาบขลาบสักระละไหลามาเทมาแต่วิชาพุทธเจ้ามีแต่ขัดมีแต่เกา่ามีแต่ละมีแต่สลัดมีแต่ทิ้งใครก็ไม่อยากเอาดิใช่ไหมมันไม่ได้อะไรอ่า ม, มันไม่ได้เพราะมันไม่ได้สนองความโลภโกหลงตามกิเลสของผุุ้ชนนะ่ะมีแต่ละให้ละความโลภโกลงเอาละก็โลภโกห ล, ลงมันจะได้อะไรอ่ะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเกิดในอินเดียไม่ใช่คนอินเดียจะรับได้นะใช่ไหม ในทีศาสนาเหลือที่ไหนในอินเดียเหลือแต่ฮินดูเหลือแต่อิสลามใช่หรือแต่พราหมณ์พราะนัศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาคนไม่มีศรัทธ า, าจะรักษาพุทธศาสนาไว้ไม่ได้นะีอย่างทุกวันเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในที่ต่างๆคนเริ่มไม่มีศรัทธาเริ่มไม่มีปัญญาที่จะมาศึกษาคําสอนเหล่านี้ พุทธศาสนาก็จะอยู่ทางบ้านเราไม่ได้เอเชียตะวัออกเสียงใต้จะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ยากท er e ี่สุดเพราะศาสนาคริสต์านาอิสลามลุกลานไปทั่วหมดละพวกหลวงพ่อทั้งหลายที่เข้าใจเรื่องนี้ก็เลยนําเอาพุทธศาสนามาทางตะวันตกมาทางยุโรปทางเมีกาก็มาเจริญทางนี้เราก็จะเอาพุทธศาสนามาฝากคนเหล่านี้คนเหล่านี้มีปัญญาเพราะพื้นฐานเขาเป็นนักปริญญานักวิทยาศาสตร์นักกิจติวิยา แต่พื้นศักพ์พื้นฐานท้งว่าเราเป็นพื้นฐานทางด้านไสยศาสตร์มูลดำไสยศาสตร์ต่างๆมันรักษาพุทธศาสนาไว้ได้มันทําให้คนงมงายทําให้คนหลงเพราะนั้นเองอันนี้มันเป็นเป็นยุคของมันโยมเป็นยุคของความเสือ่อมความเจเริญนั้นในภาคปฏิบัติเราจะต้องมาทําอย่างที่ว่าที่โยมคนนั้นที่โยมคนนั้นอยู่ที่บ้านทําอะไรให้ตั้งใจทําตั้งใจพูด ต่างใจคิดไข้ครควนก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเนี่ยทำให้มันเป็นนิสัยไม่ใช่ทำเป็นบางครั้งบอกเราทำให้เป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยแล้วชีวิตของเรามันจะเบ า, ช, เ า, เบาชีวิตของเราจะสบายอันนั้นคืออานิสงการนับถือพระพุทธศาสนาคือชีวิตเบาสบายร่างกายก็ไม่ค่อยมีปัญหาจิตใจก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเต็มไปด้ยวยความเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน ตรงนี้คือคุณค่าของกันศาสนานะมันสิ่งที่พุทธเจา้าต่รู้เนี่ยท่านบอกว่าทุกคนทำได้มันไม่ใช่เป็นศาสนาของเทวดาอินพรมเป็นศาสนาของมนุษย์แต่ทาไมมันยากก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมเราก็เหมือนโอ้เราบุญวัฒนาบารามีไม่พอปฏิบัติไม่ได้อันนี้เป็นความคิดถ้าเรามาพูดกันให้เห็นชัดๆเนี่ยมันทาง่าย ในสติปัฏฐานสูตรที่ว่ากันว่าเป็นเล่มพอาะแต่ปดุกบะเลมบะํา ม, มาย่อเหลือนี่เดียวเนี่ยย่อเหลือดูกายดูใจกายมีปัญหาแก้ไขไกายไปเท่าที่มันแก้ไขได้แต่จะแก้ไขปัญหาร่างกายนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เกิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เราจะต้องได้ล่างอันนี้มาจะต้องมาดูแลมาสวยวิบากกรรม น, นี้แค่บําบัดมันพออยู่ได้ก็พอได้แล้วร่างกายเนี่ยไม่ต้องไปทําให้มันสบายหรอกมันสบายไม่ได้ ควมพิษแต่ดั้งของความไตรปุณ เ, เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มีปัญหาด้านร่างกายก็แก้ไขไปมีปัญหาด้า น, านจิตใจปัญหาจิตใจก็จะมีอยู่สามเรื่องแค่นั้นนะ่ะถ้าเราไม่ทันอนิจจังมันก็จะมาเกิดเป็นราคะหรือความพอใจถ้าเราทําไม่รู้ตัดตามไม่รู้ทุกขังของร่างกายมันก็จะมาเกิดเป็นความโทมานั์คือความไม่พอใจถ้าตามรู้ไม่ทันอ น, นัตตา มันก็จะมาเกิดไปเป็นโมหะคือความลุ่มลงเพราะฉะนั้นโทโลพาโทสาโ ม, มหะก็เกิดที่จักอนิจังทุกขังหน้าตาที่เราตามรู้ไม่ทันนั่นเองเพราะนั้นบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้เนี่ยอนิจังทุกขังหน้าตานี้คือโดยทุกขต้องกําหนดรู้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันเปลี่ยนเป็นกิเลสที่รู้เนี่ยรู้นี่เพื่อให้ละถ้าละไม่ทันมันเปลี่ยนมาเป็นกิเลสสามตัว ความพอใจไม่พอใจและความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้เท่าทานันอนิจจังทุกขังนักตารู้เท่าทันความทุกข์กายทุกใจแล้วดับมันเสียเนี่ยมันจะไม่แปลงเป็นกิเลสแต่ถ้าหากว่าสติสัญญาของเราที่ฝึกฝนมาไม่พอเนตามรู้เท่าทันความสบายกายไม่สบายใจในความร่างกายที่มันเป็นเนี่ยถ้าเราไม่ตามรู้ตลอดมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นกิเลสสามตัวนี้เพราะนั้นเราต้องรู้ว่ากิเลสสามตัวมันเกิดจากอะไรก็เกิดมาจากไตรลักษณ์นั่นเอง เพราะนั้นการที่เราฝึกสติสัมปญญาเนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นแสงสว่างสติสัสมปชัญญะเนี่ยเหมือนแสงสว่างปัญญาเหมือนดวงตาเพราะนั้นที่เราทําเนี่ยเพียงเพื่อให้เกิดแสงสว่างเกิดแสงสว่างคือความรู้เนื้อรื้ตัวคือแสงสว่างแล้วมันเป็นฐานให้ปัญญาคือดวงตาของเราเนี่ยได้เห็นของจริงคือเห็นกฎของไตรลักษ พอเห็นโกดองใจรักแล้วไปแก้ไขที่ต้นเหตุมันเสียถ้าไม่รีบแก้ไขที่ต้นเหตุปับ๊บใจรักก็จะเปลี่ยนเป็ น, ปนอกุศลมูลทั้งสามเปลี่ยนเป็ น, ป น, ปนราคะโทสะโมหะตรงเนี้ยตามตามรู้ยากแหละการจัดการทุกขเวทนาทางกายกับการจัดการกับความคิดเนี่ยไหนง่ายกว่าถามหน่อย เข้าใจนะเข้าใจปัญหานะการจัดการทุกกเวรนาทางกายกับการจัดการความคิดที่เกิดกับใจอันไหนง่ายอันไหนไยากใครว่าจัดการที่กายง่ายกว่ายกมือขึ้นใครว่าจัดการที่ใจได้ง่ายกว่ายกมือขึ้ น, ม, นมีแค่สองสามเสียงเองทำไมเออ4ี่เสียงโอ้เก่งเย่างพวกนี้นะต้องปล่อยให้มันเกิดที่ใจก่อนนะค่อยจัดการไม่ได้ไม่ทันหรอก เพราะกายเนี่ยเป็นเรื่องห ย, ยาบๆง่ายๆเรายังไม่ทันเลยใช่ไหมแล้วเรื่องใจมันละเอียดขนาดไหนไมันจะทันได้ไงมันไปถึงไหนเราไม่รู้อ่าเหมือนเข็มตกน้ําเลยละ่ะใช่ไหมถ้าปล่อยมันหลุดไปหาใจเนี่ยเออเข็มตกบนบกทกเราหาง่ายนะใช่ไหมถ้าเข็มตกน้ําไม่รู้มันลอยไปตกที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแก้ที่กายเนี่ยให้ได้ถ้าไม่จบที่กายแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยละ่ะที่ว่าเป็นเรื่องยากเราจึงเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยเพราะเราไปงมเข็มในน้า แต่ถ้าหากว่าเรามาเริ่มต้นให้ถูกมาจัดการแก้ปัญหาของกายให้ดีเหมือนหายเข็มบนโบกมันมีโอกาสเจอธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ง่ายๆไม่ยากแต่เพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เห็นแจ้งตามที่ท่านสอนมันจึงกลายเป็นเรื่องยากท่านบอกว่าไงบอกว่าสวาขาโตูเพราะว่าดาธมูพระธรรมคือคําสอนที่เราตัดตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ชอบแล้ว จัดไว้สว่างแล้วเดชสวะขาจะทำสันทิฏฐิโกใครทําก็ได้ใครทําก็เห็นใครทําก็รู้อากาลิโกทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำไม่ใช่ว่าทํากลางวันเท่านั้นกลาคืนทําไม่ได้ไม่ทําตอนเช้านะั้นตอนจินทําไม่ได้ไม่มีทําได้ตลอดเวลาเพียงแต่ตั้งสติสัมยาขึ้นตอนไหนทําได้ตอนนั้นนะอากาลิโกโอปนยญญโก ทำแล้วน้อมมาสู่กายสู่ใจตัวเองนี้อย่าไปเนอะอย่าอย่าไปปาลบคนอื่นอย่าไปคิดถึงคนอื่นไอ้ทานั้นคนนั้นไม่ปฏิบัติทำนั้นคนนั้นไม่ทำท่านี้นคนนี้ไม่ทาอย่าไปปาลบถึงคนอื่นปาลบตัวเองโอปันญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเองไม่ต้องน้อมไปสู่คนอื่นแต่ถ้าเรารู้ไม่ถูกเอะคนนั้นทำไมไม่ทำคนนี้ทำไมทำไมคนนั้นทำ <c oughs> คนนี้ไปออกจากนอกตัวเองไม่เป็นโอปันญิโกนะเอหิปสิโก สามารถพิสูจน์ความจริงได้ถ้าเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงทำได้ดีกว่าไหมถ้าเราทำอะไรโดยความไม่ตั้งใจกับทำอะไรด้วยความตั้งใจเนี่ยอันไหนผลออกมาดีฝ่า <Okay. S 1> ตั้งใจทำผลออกมาดีกว่าพิสูจน์ได้ไหมถ้าเราตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดอะไรผลออกมาดีทั้งนั้นแต่เราทาพูดคิดโดยไม่ตั้งใจผลออกมามีแต่ข้อผิดพลาด นี่เขาเรียกว่าเอหิปัสสิโกพิสูจผลได้ทันทีไม่ต้องรอวันนี้พรุ่งนี้เราด่าพูดกับคนในคําพูดที่ไม่ดีแล้วก็โดนตีกลับมาได้คําไม่ดีทันทีเหมือนกันแต่เราพูดกับคนดีๆด้วยพูดด้วยความเมตตากลูนาเราก็ได้ผลตีกลับมาด้วยเจตนาดีทันทีเหมือนกันนี่เอหิป e ัสสิโกพิสูจนได้ทันทีอตังเวทิตาพูวินยูห uh ิคนปฏิบัติเท่านั้นรู้คนไม่ปฏิบัติไม่รู้ปัจจิตังทําให้รู้ด้วยตัวเอง พวกหลวงพอ่อนี่เป็นเพียงแต่ผู้บอกผู้ชี้ที่ท่านตรัสไว้ในอะไรตุมเฮหิกิ จ, จังอาตปังอาคาตาโรตถาคตาปฏิปั น, นาประโมกคันติชา ย, ยิโนมาละพันธนาท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรด้วยตนเองอเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกคนไหน ทำด้วยความถูกต้องทำด้วยความเข้าใจทำด้วยสติปัญญาคนนั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงอ่านี่ท่านบอกเอาไว้เงี้ยนะทำด้วยสติทำด้วยปัญญาทำด้วยความเข้าใจคนนั้นจะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวงอย่าไปทำด้วยความอยากถ้าเราทำด้วยความอยากจะได้เท่านั้นอยากจะรั้วนี่อยากจะเห็นอันนั้นแล้วเสร็จเลยอันนั้นได้ทำด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ทําด้วยความเข้าใจทําเข้าใจนี่ทำด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เราไม่ต้องหวังมันก็ได้เพราะมันผลมันพิสูจน์ได้อยู่แล้วทด่ท่านตรัสไว้ว่าต้องทําลักษณะเนี่ยหกอย่างเนี่ยได้ผลแน่นอนนะที่เราสวดทุกวันนะสวากาโตูขะควาตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปิสิโกโอปะริยโกจะตังเวทิตะภูวิญโหิเนะี่ยพอเราทําอย่างนี้แล้วมันก็เลยสบายนะชีวิตนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความสบายละ แต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทําเจริญสติเจริญสัพพัญญะเจริญปัญญาเป็นวิถีชีวิตคนมงคนก็ถามว่าเอ้ยหลวงพ่อถ้าทําแบบนี้แล้วไปนั่งสมาธิได้ไหมนั่งหลับดาได้ไหมคุณกินผลไม้แล้วคุณจะไปกินใบไม้เนี่ยคุณว่าอันไหนมันน่ากินมากกว่าหลวงพ่อก็จะถามกลับแบบนี้ไอ้กินผลแล้วทำไมต้องกลับไปก ล, ไป ก, ลไปกินใบมันดีกันนะไอ้ตัวที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตกายสบายจิตใจสงบเนี่ยอันนี้มันเป็นผลแล้ว คุณจะไปนั่งหลับตาคุณจะไปนั่งสงบเอาอะไรอีกแะอันนั้นมันเหผลก็สวยผลมันเท่านั้นแหละแล้วคุณไปเคี้ยวใบมันลำบากทําไมเข้าใจอไงพอเรายังสับสนอยู่ว่าเออทำอย่างนี้เป็นสมาธิทํานี้เป็นอภิปัฏณาทํานี้เป็นสมถะอันนี้เขาเรียกว่าสับสนมันไม่เข้าใจแจแจ้งถึงสงสัยอย่างนั้นนะ นั้นตลอดเวลาเนี่ยทำความสุขให้กับตัวเองทําความสบายให้กับตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ความสุขสบายเนี่ยมันเป็นผลเหตุมันคือทุกข์นะตามรู้ทุกข์แก้ไขทุกข์ละเหตุของทุกข์ความสุขสบายมันก็เกิดขึ้นมาเองเพราะความสุขสบายมันเป็นความสบายกายสบายใจมันเป็นผลการจัดการเรื่องทุกข์ละเหตุเกิดทุกข์มันเป็นเหตุเรามาทําที่เหตุ เราไม่ไปทําที่ผลเพื่อทําที่เหตุถูกแล้วเนี่ยผลมันเกิดเองเรามีหน้าที่ใส่ปุ๋ยลดน้ําพ่ดินที่ต้นเหตุของต้นไม้ส่วนต้นไม้มันจะเป็นผลเมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันมันไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่หน้าที่ของเราคือจะต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยพ่ดินดูแลมแมลงดูแลปุ๋ยดูแลน้ําดูแลลินให้ดีเท่านั้นแหละก็คือมาดูแลกายดูแลใจเอาสติสัมญาใส่เข้าไปทําอยู่แค่นี้แหละวันวัน จะไปเก็บผักหักฟืนทำการทำงานอะไรก็ทาอยู่แค่นี้นี่ถ้าหากว่าเราสามารถรวมกายรวมใจมาอยู่ด้วยอันเดียวกันเน่ยมันไม่ไปรับรู้เรื่องราวปัญหาของคนอื่นเนี่ยมันจะทุกเป็นไหมคนเราทุกไม่เป็นเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปทุกเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกคืออะไรคือความคิดใช่ไหมความคิดที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรารู <c> ้ <oughs> ถ้าเรารู้ว่าเราคิด เราใช้ความคิดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดความคิดใช้เราอันนี้จะไม่ดีนะอันนี้ไม่ใช่คาพูดกลับหลอกนะถ้าเรารู้ว่าเราคิดเราเป็นคนใช้ความคิดความคิดกลายเป็นปัญญาถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดความคิดใช้เราความคิดกลายเป็นกิเลสคนละเรื่องเลยนะแต่ความคิดอเดียวกันเนี่แหละแต่ผลออกมาคนละอย่าง อยู่ที่ตัวแปลสําคัญทือที่ไหนอยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้เรารู้ทันหรือไม่รู้ทันเพราะหน้าที่ข้องเราคือมาสร้างตัวรู้เท่าทันคือตัวสติสมาธิปัญญามาสร้างตัวรู้เท่าทันความคิดไปห้ามไม่ได้โลกผู้หลงไปห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดแต่เกิดแล้วเราจะเปลี่ยนมันไหมฝ น, นจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกไปห้ามไม่ได้แต่เราจะเปลี่ยน ฝนเปลี snow, ่ยนแสงแดดเปลี earth, ่ยนลมเนี่ยให้เป็นอะไรได้ไหมนะเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นโุลาร์เซลล์ได้ไหมเปลี่ยนกระแสน้ําเอาไปเป็นปั่นไฟฟ้าได้ไหมเปลี่ยนพลังลมเอาไปเป็นชาร์จแบตเตอรี่ได้ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาเขาเจอหลักการอันนี้เขาเปลี่ยนได้หมดเราก็เหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนแสงแดดเหมือนฝนตกเหมือน ลมพัดนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนโลภโกรธหลงให้เป็นศีลซะเปลี่ยนความโลภให้เป็นศีลเปลี่ยนความโกรธให้เป็นสมาธิเปลี่ยนความหลงให้เป็นปัญญาซะจะเอาอะไมาเปลี่ยนก็คือสติสัมยาที่เราฝึกนี่แหละฝึกไปแล้วมันจะรู้เองว่าจะเปลี่ยนยังไงนะพอว่าอะไรเกิดขึ้นปับ๊บเราตั้งสติพอตั้งสติได้ปั๊บมันเปลี่ยน พราอเราถ้าหากว่าเราไม่ตั้งสติทําไม่ตั้งสติพูดปั๊บนี้เราจะป่าไปตามกิเลสใช่ไหมแล้วแต่มันจะพาไปตามอารมณ์พอเราตั้งใจมีสติปั๊บนี้มันเปลี่ยนหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนคําพูดแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนนี่คําว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนอย่างนี้ <Me>. นเพไาะนการตั้งสติตั้งสติปัญญาจึงเป็นสิ่งจําเป็นสามารถเปลี่ยนอาขุศลให้เป็นกุศลได้เปลี่ยนบาปให้เป็นบุญได้เปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ได้แค่เนี้คือกุญแจสําคัญ หลพ่เทียนท่านถึงว่านี่คือกุญแจลูกเอกแต่หาคนเชื่อได้ยากเพราะว่าเราไปคุ้นแต่ภาพนั่งหลับตาบําเพาา็ญภาวนารักษาศีลอย่างเคร่งคัดถือป่าเข้าทุดงุงนั่งในองค์ในถ้ำเข้าป่าเข้าหิวเราไปติดแต่ภาพอย่างนั้นเราไปติดแต่ภาพวิสีแต่ภาพของพุท ธ, ธภาวะที่เราทําได้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยเราไม่คุ้นกับภาพอันนี้พอมาพูดถึงภาพนิว่วซึ่งเ ป, เป็นภาพใหม่เรายอมรับไม่ค่ได้ ภาพที่ติดอยู่ในหัวเรานึกถึงพระเกจิอาจารย์ที่เข้าป่าเข้าหิวเข้าถ้ำเป็นร้อยองค์พนองค์เลยปรากฏออกมาที่จะมาแสดงธทมให้เราฟังน่ยมีสักกี่องค์แล้วเหล่านั้นเป็นในหมดอ่ะอะทําไมไม่คิดในแงๆของจุดนี้บ้างแบกกดแบกบาดเข้าป่าเข้าถ้ำเข้าหิวเนี่ยกี่ร้อยกี่พันองค์แต่ละปีแต่องค์ไหนวังและนานปีมีองค์หลุดออกจากป่ามาพูดธรรมเราฟังเป็นอริยธรรมเป็นสัจธรรมเนี่ยมีสักกี่องค์อะ เราคิดอย่างนั้นนะคนมีปัญญา่ะอย่าไปติดภาพเก่าแล้วนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดนี่ก็คือเนี่ยเราเราชาวบ้านนี่แหละเพราะอะไรเพราะเรายอมรับถึงความทุกข์ที่ได้รับจากการงานความทุกข์ที่ได้รับกับการดูแลครอบครัวความทุกข์ที่ได้รับจากการมีสุขภาพสุขภาพไม่ดีจนเจ็บต้องป่วย ได้รับความทุกข์จากกับบริหารลูกบริหารสามีภรรยามันทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเราทุกข์เหล่านี้มาพอแล้วเนี่ยอ่าพอมาศึกษาเรื่องนี้ปั๊บโอูุ้ทธเจ้าเนี่ยพูดความจริงของชีวิตนี่พูดถึงเรื่องความทุกข์เราก็ทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันทุกแสนสหาหัสกวรจะรอดมาถึงวันนี้ได้เนี่ยกวรจะหนีตายมาจากบ้านเราสมัยก่อนใช่ไหมจะรอดมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนเราก็เห็นทุกข์อ๋อทุกข์เป็นวิบากกรรม ทุกทําไงทุกต้องกําหนดรู้รู้ยังไงพอความทุกข์ทั้งหลายมันออกมาในนามในรูปของอะไรพิจรารตนาออกมารูปของความคิดใช่ไหมเราก็าไปจัดการกับความคิดความไม่สบายกายมันออกมาในรูปของอะไรออกในรูปของทุกขเวทนาทางกายแล้วก็ปรับก่เปลี่ยนเคลื่อนไหวไปตามเหตุตามปัจจัยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ได้ จะมาว่านี่แหละคืออานิสงส์งการมาปฏิบัติแต่ว่ามันจะได้มากได้น้อยตรงที่ว่าใครนําไปทําต่อได้ถูกใครไปรนําต่อทําต่อได้ได้เข้าใจถ้าเรานําไปทําต่อไปทําด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยมันหยุดไม่เป็นละเหมือนเราไปหาเงินหาทองหาเงินได้ทีละชั่วโมงละ พันลร้อยอย่างนี้นะมันสนุกละทีเนี้มีเสถียรลำรวยไปข้างหน้าเพราะรู้จักวิธีหาเงินใช่ไหมนั่นคือเหมือนกันพอเข้าใจปฏิบัติธรรมเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันปฏิบัติแล้วมันเห็นตลอดเห็นความจริงตลอดเห็นความจริงตลอดเราก็เป็นเศรษฐีทางธรรมเศรษฐีความสุขลารวยความสุขนะเงินทองของเข้าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่าอันนี้แล้วเขาเรียกอริยทรัพย์ทรัพย์ที่เราหาจาก ทำมาหากินเพื่อใบปัจจัยสี่มาอยู่มากินเขาเรียกว่าโผูัพยับต้องไปเรียนมาไปรู้มาไปทํางานมาไปหาในช่างไปหางานไปหาแหล่งงานมันถึงจะได้ผู้ขยับแต่อริยรัพย์เนี่ยเราก็ต้องมาหากันอย่างเนี้ยคือสละเวลามาสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันแต่เมืองไทยเวลาพ่อพาเข้าไข่ที่เป็นเดือนๆนะสําหรับนักบวช น, น, นักปฏิบัตินักบวชนักปฏิบัตินี่ทําน้อยไม่ได้ พราะมันจะต้องไปนอกจากมาดูแลตัวเองแล้วไม่พอต้องไปดูแลญาติโยมนะโดยเฉพาะพระสองฆ์องค์เจ้านี่ต้องดูแลญาติโยมที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องปัจจัยสีมาสร้างวัดให้มาสร้างบ้านอยู่มาสร้างอู่นอนมาสร้างข้าวให้กินเนี่ยนักบวชนักปฏิบัติของเราจะต้องทดแทนหมดจะต้องทํามากกว่าโยมถ้าพระเราปฏิบัติน้อยกว่าโยมแล้วพระจะเอาคุณศีลคุณธรรมที่ไหนไปตอบแทนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่วัดไปวันแล้วก็ตกนรกอะ ไม่คุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไปอยู่เป็นพระสบายนะโยมนะพระในเสียงกว่ายมมากเลยเสียงเสี่ยงที่จะไปอบายนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจท่านด้วยให้ม่ท่านมีเวลาเยอะๆท่านจะได้ปฏิบัติทั้งวันแล้วคุณสิ่งคุณธรรมนอกจากคุ้มครองตัวท่านแล้วก็าังมีสติปัญญามาสอนโยมมาบอกความจริงกับโยมโยมก็จะหูตายสว่างทําบุญกับท่านก็ได้บุญ เพราะมาทำบุญแต่ละครั้งได้รับความสว่างกระจ่างแจ้งกระจ่างด้านจิตใจไปด้วยนั่นคือบุญที่เราได้รับเราก็อาไปปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยเราเป็นชาวพุทธในโชคดีที่สุดละนะจะมีโอกาสได้ศึกษาแต่ว่าจะโชคดีมากโชคดีน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปทําตามได้มากน้อยแค่ไหนทําแล้วเกิดความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นสําคัญ ถ้าทําแล้วมันเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นแย้งในกายใจใ จ, ใจมันจะสร้างความสุขความสบายให้กับกายกับใจของตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกายใจของเรามันจะเบาสบายขึ้นเรื่อยๆท่านถึงก็บอกว่านิพานังปรมามังสุ ข, ขังนิพานเป็นบรุษ ม, มิสุขคือนิพานมันสุขที่เหนือสุขคือมันสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงคําว่าสุขในนิพาน <c oughs> แต่ว่าสุขอันเกิดจากการสเสวยรรพวกทรัพย์การสเสวย ทรั ส, สมบัติเนี่ยมันเป็นสุขชั่วคราวเป็นสูขที่เปลี่ยนแปลงกินข้าวอร่อยแค่แค่อิ่มสุขแค่นั้นสุขแค่กินอร่อยพออิ่มแล้วก็จบใช่ไหมไปดูหนังฟังเพลงก็แค่แค่เบื่อพอเบื่อแล้วก็จบละแค่นั้นสุขกับสิ่งที่เป็นรูปเสียงกีดทั้งหลายมันหมดรวดเร็วกินข้าวที่จะอร่อยถูกปากมันจะกินได้สักกี่คาใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็หมดรสหมูชาติละอืม แต่ว่าความสุขคือความอิ่มอกอิ่มใจเพราะได้เห็นความจริงเพราะจิตสงบเพราะกายสงบจากโรคภัยไข้เจ็บจิตสงบจากกิเลสเนี่ยมันสุขขนาดไหนนะตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีแล้วเพราะไม่มีเชื้อที่ให้มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาวนทุกข์อยู่ในวัฏสงสารนั่นนีกเนี่ยอันนี้สูงของมันนะและในเองการที่เรามานั่งยกมือมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะถือว่าเป็นการลงทุนที่น้อยมาก เมื่อพูดถึงผลกําไรที่เราจะได้จากความสุขที่มันมันม่นคงที่ทาวรที่เราปรารถนานะเวลาเราไปทําบุญทุกครั้งอ่ะนะก็ต้องปรารถนาว่าอะไรนะนิพพานะปเจโยโหตุอนาคาเตกาเลเอาอนาคาเตกาเลเลยนะไม่เอาไม่เอาปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้มาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่านิพพานะปเจโยโหตุปัจจุบันากาเลเอาปัจจุบันนี้นะไม่ต้องเอาอนาคต มันไกลไอืปดังนั้นเองเวลาเราไปถวาย <c oughs> ทานทุกครั้งเราปรารถนาทุกครั้งนะให้เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะไขอ่าสุธินางวัตเมทานางอาสวะขยาวหังโหตุขอให้ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วนี่จงเป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสอาสวะก็เป็นเพียงคําพูดแต่ทําไม่ได้ออ่ะ่ะามันก็กลายเป็นประเพณีเป็นวนัฒนธรรม โยมก็ปรารถนากันอยู่แค่นั้นไม่ลงมือทําสักทีเพราะฉะนั้นณวันเนี้โยมมาลงมือทํำมาลงมือทําด้วยตัวเองพอทําแล้วโยมเย็นโยมสบายโยมมีความสุขแล้วคนรอบๆข้างอ่สามีมาภรรยาก็มีคอยมีสุขด้วยไม่จมไม่บุญไม่ร้อนไม่ล้นเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมภรรยามาสามีลูกก็คอยสบายด้วยไม่จมไม่บุญไม่เล่าร้อนไม่รีบร้อนไม่ร้อนลนเหมือนเมื่อก่อนเย็น นะเริ่มเย็นเยิมเดิมมีสติแค่นี้ก็มากแล้วในครอบครัวของเรา่คนใดคนหนึ่งมาแต่มาทั้งพัวทั้งเมียจะอะไรจะเกิดขึ้นนะใช่ไหมอย่างโยมมาทั้งสามีทั้งภรรยาครอบครัวก็เป็นครอบครัวสวรรค์ น, นิพพานนะไม่มีความทุกข์เลยเห็นมไหมบวกกันมาดังนั้นคนไหนามาได้ครอบครัวอย่างปีนี้มาด้วยตัวเองปีหน้าต้องพาถ้าพ่อบ้านมาปีหน้าต้องพาแม่บ้านมาให้ได้นะปีนี้แม่บ้านมาปีหน้าเอาพาพ่อบ้านมาให้ได้อทีนี้ทั้งพ่อทั้งแม่มาลูกจะไม่ยากแล้วทีเนี้ รูไอ้คนไหนที่มันพูดยาวว่าง่ายก็พามันมาก่อนอันไหนมันพูดยาวว่าดื้อก็ปล่อยมันประจำก้ามก่อนเนี่ยเรานี่คือวิธีการเผยแพร่พุทธศาสนาหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองแต่ขอให้เราได้ผลด้วยตัวเองก่อนอันนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยไปชนคนนั้นชนคนนี้เนี่ยเอาเอาทุกเอาทุกมาเผาด้วยเองนะดิเนี่ยเอาไฟมาเผาตัวเองอันะฮ้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราโชคดีตรงที่ หลวง พ, พ่อพระอาจารย์ท่านให้โอกาสให้สถานที่ให้ปัจจัยสีของเราท่านเตรียมไว้ตลอดการสร้างวัดมายี่สบาสี่ปีท่านเตรียมเพื่องานนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะกลัวจะเกิดความพร้อมอย่างวันนี้เนะี่ยท่านเตรียมมากี่ปีมันทุกยากลำบากขนาดไห น, นไม่ใช่ของง่ายเนะี่ยดังนั้นเองที่ที่วัดตระมาที่แพร่เหมือนกันหลังจากที่ทําสารกรรมฐานทําห้อยสดมุนทําห้อยันทําที่พักของญาติโยมเสร็จแล้วก็เปิดอารมณ์ไปจาเดือนนะ่ะ เดือหนึ่งถึงแปดทุกเดือนอ่ไปที่วัดอหลังจากนั้นก็ในช่วงกลางเดือนเอามาก็มาทําที่กรุงเทพจากสิบเอดถึงสิบแปดมาทํำที่กรุงเทพคนที่กรุงเทพก็มาทำเพราะปีกายนในปีก่อนเขาสร้างศูนย์เขารู้สติสถาน <c oughs> ถวายให้หลวงพ่อที่กรุงเทพนนั้นโยมคนไหนที่ไปกรุงเทพก็บอกไปเข้าที่นั่นได้เลยมีอาคารที่พักห้าหลังหลังละร้อสิบคน มีอาคารลงครัวมีอาคารหอประชุมนะที่ทุงคุบางคุนเทียนพระรามสองนะถ้าใครไปกรุงเทพไปแวะที่นั่นทุกเดือนหลวงพ่อก็จะมาที่นั่นวันที่สิบเอ็ดถึงสิบแปดแล้วก็วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบแปดหลวงพ่อก็จะไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่แห่งเดี้ก็ือเลย์ส์สุบ้านพันสวนพันดาวเป็นเนื้อที่ประมาณสักสามสิบไรนะ่เขาทําเหมือนรีสอร์ทเลยนะแต่รีสอร์ทนักปฏิบัติรรมไม่ได้รับแขกเข้าไปพักนะแต่ เอานักปฏิบัติทำเข้าไปเพราะเขามีอันจะกินเขาก็ได้เงินทองเข้ามาเขาเอามาสร้างกุฏิเล็กๆๆๆให้นักปฏิบัติแล้วก็นิมนต์พ่อไปประจำที่นั่นทุกเดือนนั้นเดือนหนึ่งหลวงพ่อจะไปอย่างเงี้ยหนึ่งถึงเจ็ดถึงแปดอาไจัดอยู่ที่วัดสิบเอ็ดถึงสิบแปดเอาไจัดที่กรุงเทพยี่สิบถึงยี่สแปดเอาไปจัดที่เชียงใหม่ก็วนกันไปงานก็ทั้งปีทีเนี้ยวนกันเนี้ยแล้วแต่เออภาคเหนือไปที่เชียงใหม่นะ ภาคกลางมาที่กรุงเทพนะภาคกลางตอนบนตอนล่างเอามาที่วัดธรรมมาก็วนกันอยู่พอทําแต่ปีหน้านี่หลวงพ่อว่าคงจะมาอเมริกากับยุโรปก็มาเฉพาะเดือนชูนเดือนเมยก็เดือนชูนช่วงเนี่ยท่านี้เรกาก็เดินช่วงนะเนาะเดินชูนพอเวลากรากฎาเดือนหน้าได้เข้าพรรษาละนะเพราะฉะนั้นเด็กก็ทํางานนี้ตลอดตั้งแต่ปีสามศูนย์อ่า สองห้าสามศูนย์ไปทุนมาถึงสองห้าหกูนเนี่ยนะมันเรย์พักเนี่ยทำมาทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ทําเรื่องอื่นทำมาหมดละเขาทําเรื่องก่อสร้างเรื่องการเผยแพร่เรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณูปการเรื่องพัฒนาสังคมเนี่ยมีพระอื่นเขาทําหมดแต่พระที่มาทําเรื่องของวิปัสสนานี่หายากนะนั้นเองก็ช่วงเชาวันนี้ก่อนที่เราจะรับอาหารเราจะเดินจงกรมรวมกันวันนี้แดดข้างนอกดีเราไปเดินจงกรมข้างนอกด้วยเนาะ อ่ะลูกขึ้ยืน